วิหารที่มีผู้ถวายบริจาคแก่สงฆ์ที่ชื่อว่าที่นอนได้แก่ฟูกผ้าปูรักษาผิวพื้นผ้าปูเตียงผ้าปูพื้นเสื่ออ่อนท่อนหนังผ้าปูนั่งผ้าปูนอนเครื่องปูทำด้วยหญ้าเครื่องปูทำด้วยใบไม้คาว่าปูคือปูด้วยตนเองคาว่าใช้ให้ปูคือใช้ผู้อื่นให้ปูคำว่าเมื่อจะจากไปไม่เก็บที่นอนนั้นคือไม่เก็บด้วยตนเอง คำว่าไม่ใช้ให้เก็บคือไม่ใช้ผู้อื่นให้เก็บคำว่าหรือไม่บอกมอบหมายไปเสียความว่าภิกษุไม่บอกมอบหมายภิกษุสมณีหรือคนวัดเดินล่วงเลยเครื่องล้อมอารามที่มีรั้วล้อมไว้ต้องอบัตปาจิตตีเดินล่วงเลยอุปจาร์อารามที่ไม่มีรู้วล้อมไว้ต้องอบัตปาจิตตี